ต่อหนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตั้งใจนมสัสก า, า, ารพระรัตนตรัยโยโซภะกวารังสมาสมุทโวนโสภะวารัสมาสมุทโวชวะฆาตโยเยนะภะกวตาธโม สุปฏิปโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆไม่ยังภะคะวันตังสะทัมมังสะสังขัง อิเมหิสการหิยธารังอารุปติหิอิปยามาจุโนันตภควาสุจิระปรินิพุโตอัมโันตภควาสุจิระปริน วัชิมาจนาตานุกัมบะมานาสานบีเมสการีทุกขตาปนนาการโหเทบริขันหาตุบีเมสการีทุกขตาปนนาการโหเทบริขันหาตุอัมหะคังดิกรตังหิตายสุขายา อาหังสมัยสมุทโธพระวอังสมทโะวูังพะกนตังภิวมีังพะกวนตังนภิวัเดมสวคตูขกวัตาญม อามังนัสสามิสุปฏิปันโนภวัตุสาวกสังโฆสังฆนามิข้าพท่านพุทธบุรีสัจจนลยตั้งใจสมาทานสัปปฏิญานตนเป็นพุทธมามกชน คือบุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนาดังต่อไปนี้ระหังสมมาสัมพุทโภคกวาพะพุทธัทงพระกวันตังอภิวาเดมิมดมข้าขอาานามสกัรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จาผูา้เป็นจอมพระราหัน ด้วยความเคารพเววาคาโตุภควตาธมโมอะ ม, ม, ม, มังนัสสามี ข้าขอนมาสการพระธรรมข้าข อ, ข อ, อนรรมสการพระธรรมคำสั่งสอนทำสั่งสอนขอสมเด็จพระมีพระผูะผาเจ้าขอสมด็จพระมีพระผ้ะาเจ้านด้วยความเคารพด้วยความเคารพและจะปฏิบัตบบิตามใหจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนทุกประการทำสั่งสอนทุกประการตลอดชีวิตตลอดชีวิตสุปฏิวโนพระกวาตุสาวกสังโฆ ส, สังัฆนมามิข้าขอวสการพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ า, จ า, ขขาผูาา้ปฏิบัติดีดปฏิบัติชอบด้วยความเคารพ นโ ม, on, มตัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอระหะโตอระหะ สัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าขอวสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูา้ เ, เป็นพระหรันพร ะ, รพระองค์นั้ น, น, นด้วยความเคารพพุธพทธทางสระนังคชามิข้ า, าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่ ง, งตลอดชีวิต <Pie year ixes> ทรามมังสนังขฉามิข้าขอถึงพระธรรมธรามสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งและจะปฏิบัติตามพระธรรมนั้นตลอดชีวิต สังขังสนังขชามิข้าขอถึงประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตและพวกข้าพุทธเจ้าทั้งหลายจะปฏิบัติทางกายวาจาและใจ ทาคำแนะนำคำแนะนำของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังต่อไปนี้ดังต่อนี้ตลอดชีวิตตลอดชีวิตปฏิบัติทางกายปฏิบัติทางกายหนึ่ง จะมีจิตเมตตาคือความรักกรุณาคือความสงสารในบุคคลรละสัตว์ทั่วไปไม่ทำและไม่ค่าและไม่ทำร้ายร่างกายบุคคลรละสัต์ตลอดชีวิตสอง จะมีอารมพอใจจะเพราะทรัพย์พสินปีหามมันได้ไไดโดยชอบธรร ม, มไม่ยืดแย่ง ไม่ลักขโมยไม่ลักขโมยทรัพย์สินของคนอื่นทรัพย์สินของคนอื่นตลอดชีวิตตลอดชีวิตสามจะมีอารมณ์พอใจจะมีอารมณ์พอใจเฉพาะคู่ครองของตนเฉพาะคู่ครองของตนไม่ยืแยงสามีไม่ยแยงสามีปัญญาและคนรักและคนรักของผู้อื่นของผู้อื่นตลอดชีวิตตลอดชีวิตสี่ จะทรงสติคือความระลึกได้สัมปัญญะคือความรู้ตัวให้สมบูรณ์ไม่เลอะเรือนเสมอโดยไม่เดื่มสุราและมีไรและไม่เล่นการพนันทุกประเภศตลอดชีวิต ปฏิบัติทางวาจาหนึ่าาง จะไม่พูดปลดคือวาจาไม่ตรงตามความเป็นจริงตลอดชีวิตสองไม่พูดวาจาหยากคายให้เป็นที่เตือนใจของบุคคลผู้รับฟังจะพูดแต่วาจาไพเราะตลอดชีวิตสาม ไม่พูดวาจาส่อเสียดยุโยงให้ผู้ใดแตกราวกันจะพูดแต่วาจาให้ทุกคนมีความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันตลอดชีวิตีจะไม่พูดวาจา ที่ไม่เป็นประโยชน์วาจาใดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับฟังแก่ผู้เฉพาะวาจานั้นตลอดชีวิตปฏิบัติทางใจคือความรู้สึกนึกคิดหนึ่ง ไม่คิดอยากได้ทัพสมบัติของผู้อื่นตลอดชีวิตสองไม่คิดประทุษร้ายผู้อื่นตลอดชีวิตสาม มีความเห็นถู ก, ค, ถกคือมีความเห็นว่ า, ค, ค, วาวคำปริยาณทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ ว, ล ว, แ, ลวและจะกล่าวต่อไปเป็นคุณธรรมที่มีคุณเลิศเป็นเหตุให้เกิดความสุขและปฏิบัติถ้าจะฏิบัติตามทรรนั้นจะรอชีวิต ทำสี่บริการที่ข้าจะปฏิบัติต่อไปอีกคือหนึ่งทานการให้คือการสรุกเคราะห์สิ่งกันอะไรกันเพื่อสร้างความรัก <S S ความสามัคคีในเพื่อนผุรวมงาน หรือร่วมคณะถ้าจะทำเสมอตลอดชีวิตสองปิยวาจาการพูดดีพูดไพเราะเป็นวาจาที่เพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วม คณะชอบถ้าจะพูดวาจานั้นตลอดชีวิตสามจะช่วยเหลือกายงานของเพื่อนร่วมงานหรือร่วมคณะที่เกินความสามารถของเพื่อนตลอดชีวิตสี่ จะทำตนเสมอกับเพื่อนจะทำตนเสมอกับเพื่อนไม่ถือตนว่าดีกว่าเขาไม่ถือตนว่าดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเสมอเขาคือเราเลวกว่าเขาเ <c oughs> ทำสี่ประการนี้เป็นปัจจัยเกิดความรักของเพื่อนและของผู้พบหินอาจะปฏิบัติตา ม, ตามทำสี่ประการนีนรด้ด้วยดีตลอดชีวิตรมีหานสี่ตตรมีหารสีรรส่นี้ เป็นธรรมที่ทำคนให้เป็นใหญ่ในความดีบุคคลผู้ใ ด, ใดถ้ารายการปฏิบัติาาตในพรมวิหารสีร่สเป็นปกติแล้วจะมีอายุเท่าไรมีรมตำแหน่งหน้าที่ขนาดไหน มียศถาบรรดาศักดิด์สลงศกจากเพียงไรก็ตามถ้าพุทธเจ้ายังยถือว่าผู้นั้นเป็นคนเลวไม่ควรครบ <c oughs> รไม่ควรนับถือไม่ควรแสดงความเค ร, ครพควรพวกข้าทั้งไหลยแยจปฏิบัติตาม ผมมีหารสี่นี้ตลอดชีวิตเพื่อเป็นคนดีของพระพุทธเจ้าคือหนึ่งเมตตาความรักในบุคคลและสัตว์เสมอด้วยความรักตนตลอดชีวิตสองกรุณาความสงสาร ในบุคคลและสัตว์อาจะมีความสงสารในบุคคลและสัตว์ทั่วไปถ้าไม่เกินวิสัยที่จะช่วยได้จะช่วยเขามีความสุขแต่หลอดชีวิตสามมุทุตา มีจิตอ่อนโยนไม่ช้าทิเสียใครเมื่อเห็นเขาได้ดีจะพยายามทำตามความดีนั้นเพื่อรับผลความดีนั้นเหมือนเขาสี่ผู้เบิขาถ้าสิ่งใดเกินวิสัยที่จะช่วยเหลือผู้มีทุกข์ได้ จะไม่ซ้ำเติ ม, ม, ตมให้ผู้นั้นทุกข์ยิ่งขึ้ น, น, น, นจะวางเฉยไว้ก่อ น, อนถ้าโอกา ส, ากาสที่จะช่วยมียมเราจะพึงช่ว ย, วยเอาผู้นั้นใ ห, ให้ได้รับความสุขทันทีนหลังจากนี้ต่อไปขอให้บรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจสมาทานเป็นกรรมฐาน อิมาหังภะกวาอัตตาพาวังสุมหากางปริจัตชามิถ้าแต่สมเด็จพระพูทมีพระภาคเจ้าผู้เจริญถ้าพระพุทธเจ้าท่้งไหลหอมโมกกายไหว้ชีวิตแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดชีวิต ตอนนี้ไปข้าพเจ้าทั้งหลายตอนนี้ไปฟาตอนข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นขอเปล่งวาจานับทีวอนนับทีวอนซึ่งเป็นกิเลสหย า, ทาบทำบัรยายถอยหลังเพื่อหวังผธิภานดังต่อไปนี้ อาทำเลวห้า네ประการที่ทำให้ชาญและปัญญาไม่เกิดข้าขอระงับอาธรรมนั้นไม่มีในใ จ, พนใจเพื่อมักผลนิผ่านเฉพา ะ, าะเวลาทำสมาธิอาธรรมห้าประการคือหนึ่ง ความรักในระหว่างพี่ความรักในระหว่างพี่สองอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์ไม่พอใจสาความมวงความมวงสี่อารมณ์ฟุ้ซ่านอารมณ์ฟุ้่านน่าลู่นอกทางที่ภาวนาเน่าูนอกทางที่ภาวนาห้าาความสงสัยความสงสัยในผลของการปฏิบัติในผลของการปฏิบัติ อาธรรมคือความเลวห้าประการนี้อจะไม่ยอมให้มีในจิตของเข้าไปเจ้าขณะธรรมสมาธิและข้าทั้งหลายขอตัดสินใจตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าต้องการดังต่อไปนี้หนึ่งเกิดไปมนุษย์ มีแต่ความทุกข์เราไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์อี ก, อ ก, ก, อกสองเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมมีความสุ ข, สขแต่อยู่ไม่ได้นาน ต, ต้องมาลงต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์ หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือบางทีก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกข้าไม่ต้องการเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเมื่อร่างกายนี้ทั้งเมื่อไรข้าขอไปนิพพานอย่งเดียวตอนนี้ไปเข้าไปเรื่องมีเวลาเหลือสิบนาทีก็อย่าขอดีวายความมุ่งหมาย ที่นำข้อ น, นี้คําปริ ญ, ญาณของเพื่อพระพุทธเจ้าตั้งนี้แปลว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทุกคนถือว่าเป็นพุทธมามกะคําว่าพุทธมามกะนี่แปลว่าผู้นั่งใกล้พุทธศาสนาหรือว่าผู้เข้าถึงพระพุทธศาสนาและนับถือพุทธศาสนาคนที่นับถือพระพุทธศาสนาจริงๆทุกคน จะต้องไม่ละเมิดความดีหรือไม่ทำความชั่วตามที่กล่าวมาแล้วทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าต้องการให้ทุกคนเท่าถึงสิ่งพนิพพานเพราะการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรมก็ดีไม่มีความสุขจริงเป็นมนุษย์เต็มดรวยความทุกข์ตลอดชาติ เป็นเทวดารุกพรมมีความสุขก็จริงแหละแต่ถือว่าเราไม่สามารถจะทรงชีวิตตลอดกาลได้เมื่อหมดบุญวัสนามา ร, รมีก็ต้องกลับมาเกิดอาศัยที่เราทำความชั่วไว้ก่อนเวลาจะตายแล้วรารับผลความดีทีหลังเมื่อตายแล้วไปเป็นเทวดาทุกพรมเมืม่อหมดบุญวัสนาบา ร, รมีก็ต้องกลับมาเกิดเป็นเป็นมนุษย์ถ้าบ า, บาปน้อยหน่อย ถ้าบาปน้อยมากหน่อยก็ต้องลงกายภูมิเป็นสันนรกเป็นต้นฉะนั้นการที่บรรดาเป็นพุทธศาสนิกชนปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคือบุคคลผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติปรรมบัติตามกรรมที่กล่าวมาและทั้งหมด <c oughs> เพื่อการปฏิญาณตนตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดผลที่จะพึงรับจริงๆถ้าทําได้ครบถ้วน ก็คือพระโสดาบันกสกิทาคามีถ้ามีอารมณ์จิตเข้มแข็งแล้วก็สามารถจะเป็นพระอ น, นาคามีได้ถ้ามีปัญญาแจ่มใสใช้ความเฉลา่ยเข้าประคับประคองเราก็เป็นพระอรหันต์ได้แต่อได้ว่าถ้าบุคคลใดมีความมั่นคงจริงๆในเหตุที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดอย่างน้อยที่สุดทุกคนจะเป็นพระโสดาบันกสกิทาคามี ชื่ว่าเราผู้เข้าถือกระแสซึ่งพนิพพานมีหวังพรนิพพานแน่นอนฉะนั้นขอบัรดาลท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่รับฟังและปฏิญาณตนแล้วให้ทุกคนปฏิบัติตามคำปฏิญาณให้ครบถ้วนทุกประการอย่างน้อยที่สุดถ้ามีศรัทธาเบาท่านก็ไม่จะไปเกิดเป็นสัตว์รกจะเกิดได้เป็นเทวดาหรือพรหมเท่านั้น ถ้าหมดบุญบุาสนาบารมีมาเกิดเป็นมนุษย์การที่มีจิตเมตตาไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตจะเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นคนสวยการไม่รักไว่ข่มบยของเขาจะเป็นปัจจัยให้มีความร่ำรวยในชีวิตการที่ไม่ละเมิดสามีพัญยาและคนรักกับคนอื่นจะเป็นปัจจัยให้คนในปกครองว่าง่ายสอนง่ายอยู่ในอวาต การที่ไม่พูดมุลสาวาทจะเป็นคนให้เกิดมีวาจาปัญธิพูดอะไรใครก็ชอบฟังการระมิดข้อสุราเรมีมรอยจะเป็นปัจจัยเราไม่ไป โ, โปรคปวดหัวไม่ โ, โรคกระสับและไม่เป็นโรคบ่าเรื่างนี้เป็นต้นแต่การตรงกันข้ามถ้าเราละเมิดปัญญเวรห้าประการคือหนึ่งมีจิตโหด ร, ร้ายฆ่าสัตว์ชีวิต อย่างนี้ถ้ากลับมาเกิดเป็นคนอีกจะเป็นคนมีโรคมากและมีอายุสั้นสั้นตายอายุไม่ถึงอายุไขสองถ้าหากว่าเราละเบิดข้อที่นาทานทรัพย์สมบัติจะเสียหายเพราะไฟไหมถูกโจรลัก น, น้ํำท่วมน้ำลมพัดให้เสียหายถ้าเราละเมิดข้อการมีสมิใชาจาย์เกิดมาเป็นคนคนในปกครองจะว่ายากสอนยากไม่ไม่อยู่ในอวาต ประเมิดในข้ อ, ขอบุสาวว่าชอบผู้โกหกมัธิทธิอย่างนี้ถ้าเกิดมาเป็นคนเราพูดดีแล้พูดตรงไม่มีใครอยากฟังพูดและมีใครอยากเชื่อถ้าการดื่มสุราเราไมีไรจะเป็นปัจจัยเราเ ป, ป็นโรคปวดหัวเป็นโรคสมรัสเราเป็นโรคบ้าจะนั้งขอบรรดาแต่พุทธสาวที่ทนหลายโดยทนหนาจงพากันปฏิบัติตามคําปฏิญาณตนให้ครบถ้วนถ้าท่านเป็นคนรักตัวเอง ถ้าปฏิบัติไม่ครบถ้วนทุกคนหวังได้ถึงอบายภูมิเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็สามารถจะเป็นตายจาความเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเป็ดบ้างไป็สุรกายบ้างเป็นสตริฉานบ้างแต่เกิดมาก็ต้องรับผลรับผลปัญญเวณ่าประการตามที่กล่าวมาแล้วฉะนั้นขอบรรดาลแทนพุทธบริษัททุกคนให้ปฏิบัติตนตามนั้นถ้าหวังดีก็ตนเอง สำหรับข้อวัดปฏิบัติต่อไปท่านที่ปฏิบัติตนแล้วเทวค่ม ก, ก็ไม่จําเป็นต้องนั่งทรมานกายเพราะการจเจริญพระกรรมาฐานไม่ถือเป็นการนั่งอย่างเดียวจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะนอนก็ได้ได้ทั้งสี่อย่างถ้าทางที่ดีทุกคนเหนื่อยยากเพาตั้งแต่เวลาเช้ามืดตื่นมา่ไรก็ใช้จิตคิดเหมือ น, นั้น ก็เมื่อจิตคิดก็ถือว่าเป็นการทำงานมีความเหน็กเหนื่อยทุกคนในพักขอ่อนจะนอนก็ได้เวลาจะนอนกราบพระงองค์ปฏิมนกอ3สามครั้งตั้งใจนึกถึงรูปพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์และท่านผู้มีคุณนอนแล้วรวบรวมกำลังใจจับคำภาวนาท่าร ล, ลไม่ใจเขาออ ก, ก่อสมควร จากพระรูปพระโฉพองค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าชัดเนจนแจ่มใสพุ่งใจไปพระจุลามุนีเจดียสถานน้อมมามส ก, การพระพุทธเจ้าที่นั่นพร้อมในพระอรหันต์หลังจากนั้นไปบรรดุกำปนศิระอาจไปไหว้ท่านปู่มีคนหลังจากนั้นทุกคนพุ่งจิตปนิพันธ์มาส ก, การพระเจ้าเข้าอยู่ในสถานที่ของเราเพราะทุกคนได้หมดแล้วพระสัมโนยิทธิ แล้วก็ตัดสินใจอยู่ตรงนั้นจะพบใครก็ได้ขณะที่อยู่ตรงนั้นตัดสินใจว่าถ้าร่างกายพังไรก็มาที่นี่แห่งเดียวเวลาที่ขึ้นไปอย่างนั้นถ้าร่างกายจะหลับปล่อยหลับไปเลยจะดึงไว้เพราะถ้าหลับในขณะที่ทํารรมสมาธิวิปัสสนาญาณอารมณ์จิตจะผ่องใสจะมีการหายเหนื่อยตื่นขึ้นมาจะมีรมชุ่มชืน้นสําหรับเวลาเช้าจู่ถ้าตื่นขึ้นมา ทุกคนใน น, ษษษรร น, นามัสการพระรัุนาตรายสิทธิปัญยานตนพระพุทธมามกะหลังจากนั้นรวบรวม ก, กาลังใจเข้าใช้มโนยิทธิพุ่งใจไปพระจุลาโมนีเจดียสถานถ้าไปบรรดุกรรมโพสิระอาจไหวท่านผู้มีคุณไปพรนิพพานไหวพระเจ้าหลังจากนั้นจะไปวิมานของเราแล้วไปที่ไหนก็ได้แล้วก็ตัดสินใจว่าขึ้นชื่อว่าความชั่ว แดนแห่งความชั่วคือเมืองมนุษย์เราไม่ต้องการเกินอีกแดนขอเทวดาและพรมสุขไม่จริงแล้วไม่ต้องการเกิดอีกเราต้องการคือพระนิพพานถ้ามีโอกาสให้ทุกคนใช้ปุถุภินีวาสังติญาณคือะระลึกชาติถอยหลังว่าเราเคยเคยเกิดเป็นมนุษย์มากี่ชาติแต่ในชาติเรามีความสุขและมีความทุกข์ ทายขนานะดใดคิดบารามีความสุขให้ทราบบาเวลานั้นเราเห็นผิดไปแล้วใช่ไม่ได้ทุกชาติคนมนุษย์ที่มีเป็่ความทุกข์เราเกิดจะเป็นมนุษย์แห่งอย่างเดียวใช่ไหมความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ถอยหลังไปอยู่เพื่อต้องการเกิดมนุษย์อยากจะรู้ต้องการเกิดมนุษย์กี่ชาติก็ขอดูภาพมนุษย์ชาติละหนึ่งภาพ ความเป็นอยู่เป็นไงมีความทุกข์ขนาดไหนเกิดแล้วมีแก่มีเจ็บ ม, มีตายมีทุกข์ร้อนขนาดไหนดูไว้แต่ถอยหลังไปเราเคยเกิดเป็นสัติฉันประเภทไหนบ้างขอดูภาพทั้งหมดชนิดละกี่ชาติขอถือเห็นชาติและตัวแลว้วเพืาอทราบว่าเราเคยเกิดเป็นสัติฉันมาเยอะต่อไปก็ขอดูไปสมัยไปอสุรกายบ้างเป็นเพศบ้างไปสัตว์นรกบ้าง เราก็เห็นว่าการเกิดในคราวเต็มไปได้วยความทุกข์ต่อไปก็ดูชาติในการเกิดเป็นเทวดาแล้วผมเราก็เกิดมาแล้วแต่อย่างหลายชาตินับชาติไม่วนเราก็ไม่สามารถจะทรงตนอยู่ได้ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มีความทุกข์ปุเพนิวาสามัญคือการละลึกชาติได้เป็นปใจใัจจัยเกิดที่ปิทาอย่างมีความเบื่อหน่ายเป็นปใจใัจจัยเป็นพระอ า, านใาถนิพันธุ์เร็ว ฉะนั้นขอบันดาลพระพุทธศาสนาในกิชนทุกคนที่ปฏิบัติธรรมนี้ให้ตั้งใจใช้บุปเปนนวาสามุญญาณให้มากท่านจะเข้านิพพานได้ตามความประสงค์ขององค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าตอนนี้ไปขอบันดาลพระพุทธบริษัทธ์จหลายทำจิตให้สบายตามอารมณ์ของตนทุกคนสวัสดี